สิ่งที่เป็นสากลที่เหมือนกันก็คือาศาสนธรรมาศาสนธรรมก็ต้องมาสัมผัสต้องมีอยู่ไม่ได้สมมุติเหนือสมมุติต้องมาสัมผัสอยู่ที่กายที่ใจของทุกคนทุกชีวิตหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน เมื่อทุกมาเยือนนั้นเราควรจะต้อนรับความทุกที่จะเข้ามาเยือนอย่างไรดีหนอถึงจะเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อแล้วก็สงา่างามของผู้ฝึกหัดนะครับค่ะก็มีหลายอย่างหลายแบบนะแต่ถ้าพูดกันเอาในลักษณะของประสบการณ์ก็คือว่าทุกที่มาเยือนเนี่ยสําคัญอยู่ที่ท่าทีมากเลยที่เราจะต้อนรับการมาเยือนของทุกได้อย่างไงเนี่ยอันนี้เป็นท่าทีที่ดี ตนะ้องต้อนรับไปก่อนใช่ไหคะค่ะการที่เขาต้อนรับเนี่ยเป็นท่าทีที่เรียกว่าไม่ปฏิเสธมันค่ ะ, ะไม่ไม่ปฏิเสธทุกแม้ว่าความทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปรารถนาไม่อยากได้นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลามันก็ต้องทําหน้าที่ของเขาอะนะะนี้ท่าทีของเราเนี่ยสําคัญมากเพราะว่าถ้ามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องถอดทุกเนี่ยนอกจากจะขาดทุนแล้วเนี่ยยังเรียกว่าขาดทุน อีกหลายต่อนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนเล่นเกมแล้วแพ้ได้นะเพราะฉะนั้นทุกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องจะทําให้เราได้เปรียบเพราะว่าที่สําคัญที่สุดคือว่าจะได้ปัญญานะซึ่งเป็นปัญญาที่ได้เห็นความจริงของชีวิตนะเพราะฉะั้นท่าทีที่อ่อนโยนต่อทุกที่สําคัญที่สุดคือต้องยอมรับมันนะครับเราต้องยอมรับความทุกข์อ น, นั้นโดยดุจมีนะะ ยอมรับโดยดุษณีหมายความว่าอย่างไงดุษณีเนี่ยท่านแปลว่าเงียบเงียบหรือว่าเฉยเฉยนะครับหรือว่ายอมรับ อ, อย่างจริงใจก็ว่าได้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นอย่างนั้นเวลามีความทุกข์มาเยือนเนี่ยอันที่หนึ่งมักจะปฏิเสธนะมีความขัดเคืองใจมีอาการกังวลมีความเศร้าหมองคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้ น, นกับเราค่ะ ทีนี้อันถัดไปก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้ความทุกข์อันนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์นะในการที่จะทําให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยนี่ก็จะได้เปรียบมากขึ้นนะอันที่หนึก็คือยอมรับนะยอมรับด้วยความจริงใจยอมรับโดยดุลยเดียยอมรับอย่างมีปัญญารู้เท่าทันเนี่ยว่ามันเป็น สิ่งที่มันต้องมาเยือนในทุกๆชีวิตอยู่แล้วแต่ที่สําคัญก็คืออันนี้มันเป็นวิบากของคำชั่วะเรียกว่าเรียกว่าวิบากดําเกิดขึ้นจากการที่เราเคยทําเหตุไว้ให้เห็นเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ่นะให้เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> นะไม่ได้มีใครกลั่นแกล้งเรา <c oughs> ไม่ได้มีใครทําให้เราต้องนั่นเป็นสิ่งที่เหมือนเงาของเราที่เราเคลื่อนไหวออกไปในกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นมันเป็นของเราเองนะครับ งั้ถ้าเรายอมรับด้วยความจริงใจอันนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยทุกมันจะรู้เราความรุนแรงลงนะครับแล้วที่เหลือคือเราจะทํำยังไงก็คือว่าถ้าเราได้รับหรือว่าเรียนรู้ทุกอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะได้ปัญญามากนี่เราจะเรียนรู้ทุกในสภาวะที่มันกําลังทุกนี้ได้อย่างไงเนี่ยดฉะนั้นหลวงพ่อคาเขียนท่านสอนไว้ว่าให้เป็นผู้ดูนะให้เป็นผู้ดูให้เป็นผู้เห็นหรือว่าเห็นมันดูมัน นะอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปอยู่กับทุกข์เพราะว่าถ้าเราเข้าไปเป็นเ and, นี่ยก็จะกลายเป็นผู้ทุกข์สแทนนะครับกลายเป็นผู้อยู่ก็คือเป็นอยู่ในกองทุกข์เองเนี่ยมันไม่พ้นนะครับการที่ออกมาดูอยู่การที่ออกมาเห็นอยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยจึงจะทําให้เราได้ปัญญาจริงๆนะเราจะได้เห็นธรรมชาติของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเห็นนะหรือว่าโดยการดูอยู่เราจะมีสภาวะพ้นทุกข์ในขณะเดียวกันเลยโดยที่เรา ไม่ได้เข้าไปอยู่ในของทุกน์นันนะฮซึ่งอาการที่เราจะเป็นผู้ดูอยู่หรือว่าเห็นอยู่ดูอยู่ได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยพลังสตินะคือต้องมีความรู้สึกตัวแล้วมีพลังของสตินะมีพลังของสมาธิมีพลังของอินทรีย์ของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการฝึกนะครับทําบ่อยๆทํามากๆเนี่ยเจริญสติบ่อยๆมากๆเนี่ยจนกระทั่งว่าพลังอินทรีย์หรือว่าพลังสติของเราเนี่ย มันสามารถที่จะแยกใจหรือว่าดึงใจหรือว่ารีดทุกเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มันตรงแต่งจิตใจของเราเนี่ยออกไปจากใจของเราได้เนี่ยถ้าเราทําได้อย่างสภาวะที่เรียกว่าดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยจึงจะเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าไม่งั้นเนี่ยเราต้องคิดเอาเนี่ยคิดเอาว่ามันไม่ใช่ของเรานียมันเป็นอีสิ่งสิ่งหนึ่งเราต้องไม่ปฏิเสธมันเนี่ยอันนี้เราคิดเอาแต่ถ้าเราจะเข้าสู่ความเยกว่า อยู่เหนือทุกได้นะเห็นมันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งแคนิดนึ่งนะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยถ้าเราจะทําเข้าให้ถึงจุดนี้เนี่ยต้องอาศัยพลังสติจริงๆซึ่งแน่นอนเลยว่าต้องเกิดขึ้นจากการสั่งสมเกิดขึ้นจากการฝึกเกิดขึ้นจากการที่เราขยันอันเพียนนะมีความท่าพเพียนในการสะสมสติของเราเนี่นะจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราทําไปเรื่อยๆนะครับ ตรงจุดนี้เองเนี่ยจะทำให้เรารเผชิญหน้ากับความทุกข์โดยที่ไม่เป็นผู้ทุกข์นะเผชิญหน้ากับความทุกข์โดยที่ไม่เป็นผู้ทุกข์แล้วก็จะได้ปัญญาจากการที่เราได้สัมผัสกับทุกข์นั้นด้วยงั้นจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเมื่อได้สัมผัสกับทุกข์จริงๆเนี่ยจะเป็นเชื้อที่ดีมากเลยฮะในการที่จะเร่งรัดตัวเองเนี่ยให้พัฒนาจิตใจหรือว่ายกระดับจิตของตัวเองเนี่ยให้ออกจากวัตฏะสงสาร อย่างเหตุการณ์ที่วัดตาสุปรโ ต, โตที่น้ำหลากะจะท่วมมาเนี่ยนะเมื่อก่อนเราก็ดูทีวีดูอะไรเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสจริงๆเราได้เห็นแต่ภาพนะแต่ว่าไม่ได้กลิ่นพอได้สัมผัสจริงๆเลยเนี่ย<ม>การสัมผัสจริงๆเนี่ยมีพลังมากต่างกันเยอะนะค ะ, ะต่างกันเยอะฮะชีวิตที่ราบเรียบนะชีวิตที่มีความสุขมากเกินไปนี่ก็อันตรายคะนะถ้าเราใช้ความสุขใช้ความสบายนั้นไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะเป็นผู้ประมาททันทีเลย ค่ะเราจะกินบุญเก่านะเราจะกินของเก่าเรื่อยไปแล้วแล้วเราก็จะจบภพบชาติไปโดยได้สิ่งที่มีประโยชน์น้อยที่สุดคะนะครับนั้นความทุกข์ที่มาเยือนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟที่ดีมากในแง่มุมหนึ่งในขณะเดียวกั น, น, ก น, ม, นกมันก็มีความแสบเผ็ดนะร้อนรนมากสําหรับผู้ที่ไม่รู้จักใช้มันนะหรือว่าไม่มีสติปัญญานะกลายเป็นผู้ทุกข์นะเข้าไปอยู่ในกองทุกข์แทเองซึ่งแน่นอนเลยว่า ต้องมีความเร่าร้อนใจนะอยู่แม้ว่าจะอยู่ในกองเงินกองทองก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะแต่ถ้าสป็นแบบผู้มีปัญญาแนละ้วสหรับผู้ที่ต้องการฝึกจิตผู้ที่ต้องการเห็นโลกตามความเป็นจริงผู้ที่ต้องการเห็นโทษของการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยการได้สัมผัสทุกในการที่ได้สัมผัส ด, ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากนะในการที่จะผลักดันให้เกิดความไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตไม่ประมาทในความสุข ไม่ประมาทในความทุกข์ไม่ประมาทแม้เหน่อยบาปเล็กน้อยนะไม่ประมาทแม้กุศลเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทําให้เราพัฒนาชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีงามนี้ยิ่งขึ้นไปได้ครับสําคัญที่สุดคือสติปัญญาครับที่จริงค่ะซึ่งถ้าเพื่อนของเราฝึกฝนใจตนเนาะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากใช่ไหมคะ่ะ ก็อย่างน้อยก็ต้องฝึกคิดไว้ก่อนฝึกคิดไว้ก่อนอย่างเช่นคือฝึกใจยังไม่ได้ฝึกคิดไว้ก่อนครับอย่างที่หลวงพ่อชาท่านเคยสอนไว้อ่นะครับว่าเราได้แก้วสวยๆมาใบหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดไว้เลยคือว่าอีกจะเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเลยนะ<า>สุดท้ายของแก้วใบนี้คือต้องแตกนะครับแต่ระหว่างที่เราใช้แก้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลไปลทําความสะอาดเขาดูแลเขาระมัดระวังคะนะครับแต่คราวใดเมื่อถึงวันที่แก้วแตกเนี่ยนะครับ เราจะไม่ทุกนะ จ, จะไม่ทุกเพราะรู้ชัดอยู่แล้วว่ามันจะต้องแตกไม่วันไหนก็วันค่ะก็เอว่างกันไปไม่ต้องมีเยื่อใยอะไรมากมายครับถ้าเราคิดไว้ก่อนเนี่ยค่ะความมีอะไรอาวรนความทุรนทุรายเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ถ้ายิ่งเราเห็นปฏิบัติให้มันชัดเจนนะอย่ากระทั่งว่าปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดของเรานะไม่ยึดมั่นในความรู้สึกนึกคิดของเราอย่กระทั่งว่าความรู้สึกนึกคิดของเราหรือว่าปรุงแต่งไปในเชิงลบเนี่ย ค่ะมันทุเราเบาบางจืดจางไปเนี่ยความทุกข์ในใจของเรามันจะลดลงเองโดยอัตโนมัติค่ะนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าลงเลยก็คือต้องกลับมาที่กานจเจริญสติเนี่ยจเจริญ ก, กรรมฐานเจริญสมถะเจริญวิปัสนากรรมฐานนี่นะครับคือแน่นอนเลยว่าเราทุกคนก็ต้องการความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระภูบาลาหรือว่าอะไรพูดกันเยอะมากนะผมได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ ม, นมานานมากก็คือว่า เรามักจะหนีทุกข์นะคะแล้วก็วิ่งหาความสุขคะนะครับแล้วเราก็ไม่เคยหนีพ้นความทุกข์ที่แท้จริงได้จริงๆแล้วก็ไม่เคยหาความสุขที่แทจ้จริงเจอจริงๆความสุขที่เจอก็ล้วนจะเป็นความสุขที่ฉาบช่วยเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยเหตุปจัจจัยภายนอกนะต้องได้ดูต้องได้ยินต้องได้เห็นต้องได้กินได้กลิน่นได้สัมผัสะอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะนซึ่งความสุขชิ้นนี้เนี่ย ในทัศนะของพระพุทธองค์เนี่ยตั้งกล่าวไว้ว่าเป็นความสุขชั้นต่ำะนะเหมาะสําหรับคนชั้นต่ำนะครับแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายมีฐานะเงินทองมากมายแต่ถ้าเรายังเจ็สุขกับเพียงเท่านี้อยู่เนี่ยถือว่าเรายังรายได้สูงแต่รสนิยมต่ํานะฮะงนั้นสุขที่การนี่สุขที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยเหตุใจภายนอกมันมีอยู่ะนะครับแต่ว่าเราต้องลงทุนหน่อย นะครับลงทุนที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับความทุกข์นะครับลงทุนที่จะศึกษามันนะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฝึกความอดทนนะเป็นการอบรมนะคำ ว, ว่าอบรมนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันคงไม่เย็นสบา ย, ยานะฮะค่ะเพราะว่าทั้งอบทั้ ง, งอบรมนะคะนะครั บ, รบซึ่งแน่นอนเลยว่ามันต้องมีอาการอึดอัดนะค่ะมันต้องมีความเร้าร้อนเกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าในขณะที่เราอบรมอยู่เนี่ยมันไม่ตายล่ะครับแต่ภาวะของการอบ รมเนี่ยค่ะจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเราได้สัมผัสทุกค่ะการสัมผัสทุกนี่แหละเป็นที่มาของปัญญาถ้าเรารู้จักใช้สติปัญญาในการศึกษามันจริงๆเนี่ยเราก็จะอบรมได้นะมีประโยชน์อย่างแท้จริงครับนะคุณหมอพูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยถ้าความทุกมาเยือนเนี่ยอย่าได้ปล่อยใจให้ทุกฟรีๆให้ถือโอกาสตรงนั้นเนี่ยฝึกฝนกปัญญาของเราเสียเลย ใช่ครันะคะข้ อ, อทีดีค่ะ ต, ตกกระได้คลอยกระโจนทุกได้ประโยชน์นะคะครับค่ ะ, ค ะ, คะก็เป็นแง่คิดที่ดีแล้วก็อยากจะฝากไว้ในใจของเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะค ะ, คะว่าความทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรแก่การปฏิเสธและก็หลีกหนีแต่ควรที่จะต้อนรับโดยดีแล้วชีวีเราก็จะมีความสุขนะคะพัฒนาการจะเป็นไปในสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้น